ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวก ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยเล่มที่43พระอภิธรรมิปปิฎกเล่มที่10 ปัะานภาคสี่พระอภิธรรมมปิดดธรรมานุโลมทุกกะปัะานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสิบมหันตระทุกละ ห้าสิบห้าสารมณทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสอง ในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะ 2. สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่และถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งและถึงจิตตสมุทฐานรูปและกะตัตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได well. ้อาศัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นประตัทราลูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 3. สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์สาอาศัยขันธ์หนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้และอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้น และถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่รับรู้อารมณ์ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้และอาศัยหัตถ์วัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองกระตัตตารูปอาศัยขันที่รับรู้อารมณ์ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอารมณปัจจัยสสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่รับรู้อารมณ์ได้ อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอรารถมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันาสามอาศัยขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้และอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองย่อหนึ่งปัญญานุโลม สสังคยาวาระสุทไนัยหเหตุปัจจใจมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจใจมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจใจมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิจญาปัจจใจมีเก้าวาระอุปนิจญาปัจจัยมีสามวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระรามะปัจจัยมีเ้าวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระอาหาราปัจจัยมีเ้าวาระอินทริยปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีเ้าวาระมัคคะปัจจัยมีเ้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระ อธิปัจจัยมีเก้าวาระนัธิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตจจ ะ, ปจจ ะ, ะปัจจัยมีเก้า ว, วาระ 2. ปัจจยะปัจญิยะหวิพังขวาระนเหตุปัจจัย 6. สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ ขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะโมหะที่สหโรโคตด้วยวิจิกิชฌาและที่สหรโคตุอุทัจะอาศัยขันที่สหโรโคต้วยวิจิกิชฌาและที่สหรโคตุอุทะจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ เกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานนรูปอาศัยขันที่ไม่มีเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนเหตุกะสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะน่เหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานนรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุ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 ขันที่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นกระตัดตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 8. สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปปัจใจได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นนะเหตุตุกะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้และอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้น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 อาศัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุตุกะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้และอาศัยหัตถวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองกระตาตารูปอาศัยขันที่รับรู้อารมณ์ได้และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอารมณปัจใจเก้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 นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอานอรมณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปาทิยปัจจัยมีสามวาระนบุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนปัจจาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอาศัณนปัจจัยมีเก้าวาระ นกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีหวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนัฌานปัจจัยมีสองวาระนมครคปัจจัยมีเวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสวาระโนวิคตปัจจัยมีสาวาระ สปัจจญานุโลมปัจจน่ยะสิบอ็ดณอรมณปัจใจเขเผะถูกปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยเก้าวาระละถึงนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ4ปัจญะปัจจน่ยานุโลมสิองอรมณ์ปัจจัใจคำนะเหตุถูกปัจจัยมีสามวาระละถึง สหชาตะปัจจัยมีก้าวาระละถึงมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีก้าวาระสหชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ สิาสารมณทุกะสปัจยวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังเขวาระเหตุปัจจัย 13. สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสิบสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ ทำสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่และถึงทำมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปและกระตัตตารูปที่เป็นอุ ป, ปาทัยรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ทำสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันที่รับรู้อารมณ์ได้ ธรรมไทย um วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่รับรทท Alumni, ู้อารมณ์ได้ธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ทำสภาวธรรม ท, ท, ท, ที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ไม่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่รับร <comunidad> ู้อารมณ์ได้ธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูป ทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสิบห้าสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ทำสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้และธรรมะทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะ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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้และรรทำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเวละถึงทำขันสองจิตตาสมุทฐานรูปทำขันที่รับรู้อารมณ์ได้และทำมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัย1ิสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ ทำสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ then, ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่ ง, ท, 1, ท, Channel, ท, 2, ง ท, ที่รับรู้อารมณ์ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ทำสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่จักขวิญญาณทำจักขายตนะ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 และทำจากกายตนะนักให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองที่จะหอโรคด้วยกายวิญญาณขันสามทำขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้และทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะยอ่อหนึ่งปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนสิบเจ็ด เทตุปัจจัยมีเก้าวาระอรามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตะปัจใจมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิจยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิจยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเสวณปัจจัยมีสามวาระ สามะปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระมหาราปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนัตติปัจจัยมีสามวาระวิคตตะปัจจัยมีสามวาระ อวิคตะปัจจัยมฆ้าวาระสองปัจญาปัญญะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจใจสิบแปดสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหน้าเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ทำสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะหน้าเหตุปัจจัยได้แก่และถึงรร language, ญญ ans, ทำมหาภูตรูปหนึ่งสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมทำมหาภูตรูปหนึ่งสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ทำสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหน้าเหตุปัจจัยได้แก่จักขวิญญาณทำจักขลายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะ na, ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ขันที่ไม่มีเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้ธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทนานรูปธรรมะภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสิบเกสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ธรรมสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหน้เหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่สหรฆด้วยจักขูวิญ ญ, ญาณ และทำจักขายตณะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองที่สหรโคด้วยกายวิญญาณขันสามทมขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้และทำอหทไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุุกะมูหาที่สหรโคด้วยจิกิกิชาและที่สหรโคด้วยอุทัจจะทำขันที่สหรโคด้วยวิกิกิชา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 สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ทำสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น like เพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งรับรู้อารมณ <Lo ac> ์ได้และธรรมทไยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่ไม่มีเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้ และทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุุกะขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้และทรอไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันธ์สองกตัตารูปทำขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งรับรู้อารมณ์ได้และทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นยอ่อสองปัจจะยปัจจนยะ สสังคยาวาระสุทไนัย20นเหตุปัจจัยมีเ้าวาระนอาอรมาณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระน่ปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระ นปัจฉาชาติปัจใจมีเก ah ้าวาระนาอาศวนปัจจัยม si, ีเก้าวาระนกรรมะปัจจัยม si, ี a, at, ่วาระนวิปากปัจใจมีเก้าวาระนอาหาระปัจจใจมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจใจมีสี่วาระนามค้าปัจใจมีเก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระ โนนทตีปัจใจมีสามวาระโนวิคตะปัจใจมีสามวาระ 3. ปัจจญานุโลมะปัจนิยะ21่อนอารามะเปัจใจกะเพตุปัจจัยมีสมวาระนาธิปติปัจัยมีเ้าวาระและถึงนกรรมะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงนวิปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ 4. ปัจจยปัจญิญญานุโลมยี่สิบสองอารมณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงมรรคปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระนิสยวาระเหมือนกับปัจจยะวาระ หาสารมณทุกกะห้าสังจัตถาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเป็นต้นยี่สิบสามสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดรักพลกับสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เพราะเหตุตกปัจใจได้แก่ขันสามเกิดรักพลกับขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้ละถึงขันสองเกิดรักพลกับขันสองในปฏิสนธิขณะยี่สิบสี่ เหตุปัจจัยม um, ีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอนุโลมจบยี่สห้าสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดรกคุงกับสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เพราะหนเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกคนกับขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุ ซึ่งรับรู้อารมณ์ได้ณถึงเกิดรคนกับขันสองโมหะที่สหรกรว ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกรว ด, ด้วยอุทจจะเกิดรคนกับขันที่สหัรกรว ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรกรว ด, ด้วยอุทจจะย่อยี่สิหกเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระนณทิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระณปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอเศวณปัจจัยมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจใจในหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจญิยจบการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตะวาระพึงทำอย่างนี้ห้าสิห้า สารมณฑุกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยยีสิเจสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุ ท, หตใใ ท, ท, ที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแห่สัมปยุตตะขัน์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแฉ่จิตตสโมทานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแ่สัมปยุตตขัน และจิตตสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัยยี่สิบปดสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถและพิจารณาผุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรากรความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นละถึง โทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณาภุสลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะพิจารณาโพธระภูและโวทานพระอริยะออกจากมากแล้วพิจารณามักพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันที่รับรู้อารมณ์ได้โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง โทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่รับรู้อารมณ์ได้ด้วยเจโตปริยายานอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแห่วิญญาณัญญาตนะอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแห่เนวสัญญานาสัญญายตนะขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแห่อิทธิวิทยานเจโตปริยายานบุเพนิวาสานุสติยานยถากรรมูปะขยาน อนาคตังสยานและอวชนะจิตโดยอารมณะปัจจัย29สิบก้าสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูวโวทานมักผลและอวชนะจิตโดยอารมณะปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาทยวัตถุ โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขฟังเสียงด้วยที่ประสตทาทัตรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักรขุวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจตัวปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัขยานอนาคตังสยานและอวชนะจิต โดยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัยสาสสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออรารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอรารมนาธิปติดได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลิน เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันที่รับรู้อารมณ์ได้ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทาความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นสหาชาตาทิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแคร์จำปุจจคันด้วยธิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหาชาตาธิปฏิได้แก่ อธิปฎิธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ better, เป็น ป, ปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัย สาสอสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมณนาธิปติได้แก่พระอริยะพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุขธาตุวัตถุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยเป็นต้นสาสองสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ไเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยนันตระปัจจัยได้แก่และถึงที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเกิดนก่อนเป็นปัจจัยแก่ภะสมาบัตโดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจใจมีเจดวาระปัจจัยเหล่านี้เหมือนกับสหชาติปัจจัยในปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญะปัจจัยมีหกวาระปัจจัยเหล่านี้เหมือนกับอัญญมัญญะปัจจัยในปฏิจจวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยมีเจดวาระปัจจัยนี้เหมือนกับนิสยปัจจัยในปัจจะวาระ ปุปปนิสิยปัจจัยสาสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอุปปานิสิยปัจจัยมีสมอย่างคืออารมณูปนิสิยอนันตารูปปานิสิยและประกาศตูปานิสิยประกาศตูปปานิสิยได้แก่บุคคลอาศัยจัทวาแล้วให้ทานมี m a n ะเธอทิฏฐิอาศัยศีลปัญญาราคาความปรารถนา สุขทางกายทุกทางกายแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นข่าสัตว์ทำลายสงศธาปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายเป็นปจัจจัยแก่ศธาปัญญาราคะความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมักและพลสมาบัติโดยอุปนณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคือรมณูปาณิสยะและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยอุตุโภชนะเสนาชนะแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นข่าสัตว์ทำลายสง์อุตุโภชนะเสนาชนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาความปรารถนาะสุขทางกายทุกข์ทางกาย มากและพลัสมาบัติโดยอุปาณิสยาปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยสามสิบสี่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหัไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง โทมนัจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุ่ฟังเสียงด้วยที่ประโสทธทาตรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขู่วิญญาณโพธพายาตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขู่วิญญาณกายญายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้โดยปุเรชาตะปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและนานาคณ น, า น, านกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สัมปุญจคันโดยกรมรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่คันที่เป็นวิปากโดยกรมรมปัจจัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณนกะได้แก่เจตนาที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคนิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่รับรู้อารมณ์ได้ oh. เป็นปัจจัยแก่ัมปุถุตขันธ์และจิตตสมมทานรูปโดยกรรมปัใจจัยในปฏิสนธิขณะนานาพนิกะได้แก่เจตนาที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบาก และขตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยและอาหาระปัจจัยสาสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยวิปากปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอาหาระปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้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 โดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่รูปปัจจิวิตินสีเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยอินทรีย์ปัจจัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่จักขุนสีเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายินสีเป็นปัจจัยแก่กายยวิญญาณโดยอินทริย์ปัจจัยสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่ร mm, ับรู้อารมณ์ไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอินทริยปัจจัยได้แก่จากขุนศีและจากขวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันที่สโรคตด้วยจากขวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยกายเยนศีและกายวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันที่สโรคตด้วยกายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยชานะปัจจัยเป็นต้น39สสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยชานะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยสีสสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและปัจชาชาตะย่อ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 โดยวิบยุตตปัจจัยหาไทยวัตถุเป็นป um ัจจัยแก่ขันที่รับรู้อารมณ์ได้โดยวิบยุตตปัจจัยอธิปัจจัย41สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองในปฏิสนธิขณะ สภาวะธรรมที hay, isa, yourself, ่ร ah oh. ับรู us, meaning, ้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยอธิปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระ4ีสองสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยอธิปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะมหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่มหาภูตรูปหนึ่งเพงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตยพรมสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและภูเรชาติ สหชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอาธิปัจจัยบรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประ จ, จักษ์ผุกฟังเสียงด้วยที่ประโสตทาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักผูวิญญาณโพธพายาตนะ เป็นปัจจัยแก่กาย ว, วิญญาณจากขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักผูวิญญาณกายยาตนะเป็นปัจจัยแก่กาย ว, วิญญาณผาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอธิปัจจัย43สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะ สหชาติได้แก่ขันหนึ่งที่สหรคตด้วยจกักขรวิญญาณและจักรายตะตนะเป็นปันจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองขันหนึ่งที่สหรู้ด้วยกายวิญญาณและกายายะตนะเป็นปันจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองขันหนึ่งที่รับรู้อารมณ์ได้และหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสอง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 ปัจฉาชาตะได้แก่ขั้นที่รับรู้อารมณ์ได้และโกลงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่รับรู้อารมณ์ได้และรูปปชีวิตินทร์สีเป็นปัจจัยแก่กระตารูปโดยอธิปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังกยาวาระสุทไนสี่สเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระ มัธยปฏิปัจใจมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิจยปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสิยปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสัยวะนัปปัจใจมีหนึ่งวาระรัมมปัจจัยมีสามวาระ วิปากปัจจัยมีสามวาระมหาราปัจจมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีหวาร ะ, าระชาณะปัจจัยมีสามวาร ะ, ม, ะมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจ no ัยม um ีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระ 2.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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยชาชาตาปัจจัยและกรรมปัจจัย 46. สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้โดยชาชาตาปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียะปัจจัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้โดยอารมณปัจจัย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 อาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสองปัจจยปัจญียะสองสังคยาวาระสุทไนยสีเนั่นเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอานอรมณะปัจจัยมีเจ็ดวาระละถึงนสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระนัจชาตะปัจจัยมีหกวาระนัญมัญญะปัจจัยมีหกวาระนิสียปัจจัยมีหกวาระ นอุปนิสยาปัจจัยมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจดวาระละถึงนมะขาปัจจัยมีเจดวาระนสัมบยุตตปัจจัยมีหวาระนวิบยุตตปัจจใจมีห้าวาระโนอธิปัจใจมีสี่วาระโนนาิปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตาปัจจัยมีเจดวาระโนอวิคตาปัจใจมีสี่วาระ สปัจจญานุโลมปัจญียะ48นอิระมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมะะีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงณสมณันตระปัจจัยมีสมวาระณอัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระละถึงนมกะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ นวิบุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจยะปัจญิยานุโลม4ี่เกอารมณะปัจใจคำนั้นเหตุถูกปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจใจมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระเพึ่มเพิ่มบทอนุโลมมาถึงกาและถึงอนวิคตะปัจจัยมีเจดวาระ สารมณฑุกะจก